จเจริญสุขสวัสดีท่านนักศึกษาและสาธุชนทั้งหลายวันนี้ก็ถึงประวัติของพระอักสาวกทา้งขวาขวาและซ้ายคือประวัติของท่านพระศารีบุตรและพระมหาโมคัลานะมหาเถระทั้งคู่ประวัติของท่านพระศาริบุตรและพระมหาโมคลานะนี้ประวัติของท่าน คล้ายๆกันผิดกันแะเรื่องต้นแต่ว่าต่อฟังนั้น <c oughs> เป็นประวัติที่เป็นไปได้กันทั้งคู่เพราะฉะนั้นก็จะได้นำมาประวัติของท่านมาบรรยายไปพร้อมๆกันท่านภาษารีบุตรเดิมนั้นท่านเกิดในตำบลบ้านชื่อวนันนาลันทา ซึ่งไม่ห่างไกลจากกรุงราชเคืนะ้อนักคือห่างไกลประมาณ12 12กิโลเมตรหรือว่าละลใไมล์บิดาของท่านนั้นชื่อว่าวังคันตะพราม์มารดาชื่อว่านางสาลีพรามณีเดิมนั้นชื่อว่าอุปติสะปริภาชกเป็นคนเกิดในตระกูลของพราม วังคันตะพรามซึ่งเป็นบิดานั้นเป็นนายบ้านในบ้านนี้เข้าใจว่าก็คือเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งแห่งตำบลนานรันทาและก็เมื่อท่านได้เจริญเติบใหญ่ขึ้นมาแล้วก็ได้เรียนจบไตรเพศอันเป็นวิชาของพราม และท่านเองก็ได้เป็นเพื่อนกับมานกผู้หนึ่งชื่อว่าโกริตะมานกโกริตะมานกผูน้นี้หรืออินยันหนึ่งก็คือว่าท่านพระมหาโมคลานะเทระประวัติของท่านพระมหาโมคลานะเถระนี้ก็เป็นชาวนาลันทาด้วยกันคือเกิดในตระกูลพราหมณ์ อยู่ในตำบลนานันทาด้วยกันแต่คนละหมู่บ้านพราหมูผู้เป็นพ่อของท่านนั้นก็เรียกกันตามชื่อว่าโกริตะตามโคตก็เป็นนายบ้านคือเป็นผู้ใหญ่บ้านเช่นเดียวกันส่วนมารดานั้นก็ชื่อว่านางโมคฮลีตัวท่านนั้นเดิมชื่อว่าโกลิตะมานุป ซึ่งเมื่อจเจริญเติบใหญ่แล้วก็ได้ศึกษาเล่าเรียนจบตรีเพศตามคมพีหรือตามละทิของพรามเช่นเดียวกันได้เป็นเพื่อนกันกับอุปติสมานกตระกูลทั้งสองนี้เป็นตระกูลที่มั่งคั่งสมบูรณ์ไปด้วยโภคสมบัติและบริวารเป็นอันมากและตระกูลทั้งสองนี้ท่านได้กล่าวว่า เคยเป็นเพื่อนหรือเป็นสหายกันมาแล้วเจ็ดชั่วคนเจ็ดชั่วคนนี้ให้ท่านไอ้นักศึกษากําหนดให้ดีว่าเจ็ดชั่วคนกับเจ็ดชั่วเจ็ดชั่วคนกับเจ็ดชั่วโคดนี้ผิดกันเจ็ดชั่วโคด น, นั้นท่านนับเอาเหนือเราเหนือเราไปสามชั้นคือ พ่อแม่ปู่ย่าตายายแล้วก็ปู่ทวดยายทวดอ่าปู่ทวดย่าทวดตาทวดยยายทวดแล้วก็บุคคลผู้ที่เป็นชั้นเดียวกันแล้วนับเราเป็นหนึ่งเป็นสี่ชั้นแล้วก็ต่ํากว่าเราไปสามชั้นคือลูกหลานแล้วก็เหลนในคนชนชั้นเสมอกันนี้เรียกว่าเจ็ดชั่วโค แปลว่าเจ็ดช่วคนนั้นหมายถึงว่าในที่นี้เป็นสหายกันเจ็ดชั่วคนนั้นหมายถึงว่าเป็นสหายกันมาแล้วเจ็ดชั่วชั้นคนคือเหนือเราขึ้นไปก็เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่อ่าคือสหายทั้งสองนี้พ่อกับพ่อก็เป็นเพื่อนกันปู่ของปู่ก็เป็นเพื่อนกันปู่ทวดก็ปู่ทวดก็เป็นเพื่อนกันแล้วก็ พ่อของปู่ทวดปู่ของปู่ทวดและปู่ทวดปู่ทวดแล้วก็พ่อของปู่ทวดก็เป็นเพื่อนกันมาเรียวกว่าเจ็ดชั่วคนแล้วมาถึงอุปติสสะมานพ ก, กับโกริตะมานพนี้ก็มาเป็นเพื่อนกันอีกเรียกว่าเป็นบุคคลชั้นที่แปดบุคคลทั้งสองนี้เป็นคนที่มีปัญญาเฉียบแหลมมากเรียนรู้ในศิละปะอะไรได้เร็วเป็นเพื่อนชอบพอกันมากจะไปเที่ยวไหนเป็นคนรุ่นเดียวกันจะไปไหนก็ไปด้วยกัน ท่านล่าว่าอุปติสาบริพาชคนี้เวลาจะไปไหนนั้นมีว่ามีบริวารคนละห้าร้อยอุปติสาบริพาชคนี้มีบริวารห้าร้อยเวลาจะไปไหนนั้นก็ขึ้นรถเทียมมาพร้อมกับด้วยบริวารส่วนโกริตะบริอุป โ, โกริตะมานพนี้ก็เช่นเดียวกันมีบริวารถึงห้าร้อยเหมือนกันเวลาจะไปไหนก็นั่งเสลียงไป เรียกว่าเป็นคนที่มีทรัพย์มัง่งคั่งสมบูรณ์ไปด้วยทรัพย์สมบัติทั้งนั้นอยู่มาวันหนึ่งทั้งสองนี้พร้อมด้วยบริวารก็ไปดูมงคสศพที่กรุงราชคฤห์คือทั้งสองนี้ไปไปดูมงคสพที่กรุงราชสุราชคฤห์ด้วยกันเสมอเสมอเมื่อไปดูแลเขาก็จัดที่ให้หนั่งคู่กัน ยอมลาดเลงในควรในสิ่งที่ควรลาดเลงยอมสนุดใจในเมื่อนักศิลปินทั้งหลายแสดงให้ถึงความสนดุดสกดใจให้รางวัลในแก่ศิลปินผู้ที่ควรให้วันหนึ่งสหายทั้งสองนิชวนกันไปดูมโหรสพเหมือนอย่างแต่ก่อนที่ครูจะกลิบซึ่งเป็นอ่ามหาศัศจรรยที่เรียกว่ากิริคขะสมัตชังคือมหศัศจรรยที่เล่งกันบนยอดภูเขามหัศจรรย์มหศจรรยนี้สามปีเขาจะมีครั้งหนึ่ง และก็มีเป็นเวลานหนึ่งเดือนประเพณีอันนี้ได้ถือสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันนี้เรียกว่าสามปีเราจะมีมังรสพครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งเรียกว่าขิลคัตสมัชชังแล้วก็จะมีกันถึงเวลานหนึ่งเดือนเต็มๆสองสหายนี้ก็ชนกันไปดูพร้อมด้วยบริวารบริวาร น, นั้นก็แจกเก้าอี้ให้นั่งโคกันแต่ว่าวันนั้นดูแล้วไม่ได้เกิดความร่าเหลืองอะไร เพราะมันพิจารณาถึงว่ามโหสพนี้ไม่เป็นสาระประโยชน์อะไรเราทั้งสองนี่มาเรานี่มาดูสิ่งที่ไม่เป็นสาระไม่เป็นประโยชน์แก่ชีวิตคนเราเกิดมาแล้วก็คอยแต่ความตายเท่านั้นก็หันไปนดูสหายก็จึงได้ถามขึ้นก็เลยมีใจตรงตันกันว่าวันนี้ดูมโหสพแล้วไม่สนุกสนานเลย เห็นว่ามหัศรรย์ที่ดูนั้นไม่เป็นสาระเป็นของไร้สาระสาวสหายก็คิดร่วมกันว่าเรานี่ควรเราทั้งหลายนี่เกิดมาก็เพื่อการคอยตายเท่านั้นควรจะหาสิ่งที่เป็นสาระแก่ชีวิตก็จึงได้พากันเที่ยวหาสำนักที่พระอาจารย์หรือสำนักของนักบวชต่าง ว่าสำนักไหนควรที่เราจะไปบวชอยู่ก็เที่ยงหากันสืมหาถามปัญหากันแล้วทั่วชมพูทวีปก็ไม่เห็นว่าสำนักใดสมควรพอที่จะเป็นอ่าสำนักที่ให้ความรู้และให้สาระแก่ไปชีวิตได้ก็มาพอใจในละทิของสนชัยปริภาชก ค, คือมาพอใจในละทิของปริภาชก ซึ่งมีอาจารย์ชื่อสมชัยก็เลยพร้อมทั้งบริวารดดวยกันเมืเป็นปริพาชกในสำนักของสมชัยนี้แต่บริวาร น, นี้ก็ได้ชวนบริวารออกบทแต่บริวารมีคนละห้าร้อยรวมแล้วเป็นพันแต่เวลาชวนออกบทจริงๆนั้นมีบริวารที่จะทั้งสองนั้นมีบริวารที่จะ พอใจในการที่จะบวชตามด้วยเพียงห้าร้อยท่านเท่านั้นเองดังนั้นสองสหายนี้จึงพาบริวารห้าร้อยคนเดียกันเข้าไปบวชเป็นปริภาชกในสำนักของสนชัยผู้เป็นอาจารย์สนชัยเวรัชบุตรบุตรเล่าเรียนจนเน่เล่าเรียนละทิของสนชัยเนี่ยได้ทั้งหมดจนกระทั่งสนชัยนี่ ได้ตั้งให้เป็นอาจารย์ที่จะได้ช่วยสั่งสอนศิษย์ต่อไปแต่สองสหายนี้ยังไม่พอใจในละทิของสนชัยเห็นว่ายังไมไ่เป็นทางที่จะให้รู้พิเศษหรือว่าเพื่อเป็นสาระชีวิตใดก็จึงได้ทำกติกากันไว้ว่าถ้าหากเราสองคนนี้บุคคลใดบุคคลหนึ่งแสวงหาทำพิเศษหรือว่าได้รู้ทำพิเศษแล้ว ขอจงบอกแต่กันอย่าได้ละทิ้งกันไปเสียสิ่งที่ทำกันเป็นญากันเป็นมันไปเช่นนั้นยืมมาวันหนึ่งอุปติสสะปริภาชกได้ออกจากที่พักของตนเองเพื่อไปสู่ปริภาเชการลามในตอนเชา้าได้ไปพบได้ไปพบพระเถระองค์หนึ่งชื่อว่าพระอัจจิ พระสัจจีเทละนี้เป็นพระเถระในจำนวนของปัญจวัคคีทั้งห้าซึ่งเป็นน้องน้อยที่สุดที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นได้ทรงไปประกาศพระศาสนาต่อมาได้มีความระลึกถึงพระพุทธองค์ก็เจึงได้กลับมาเยี่ยมพระพุทธองค์ที่กรุงราชคลึกที่พระองค์ประทับอยู่ที่พระเวรวันมหาวิหาร ในเช่านั้นต็เองอัศชิเทระนี้ก็จึงได้ออกบินธบาตในกรุงราชฤก์อุปติสสะปริพาชกนั้นเดินมาจากที่อยู่ของปริพาชกเห็นอาการอากับกริยาขึ้นเกิดความเดือมใสเห็นพระอาตชิเทระผู้นี้ในเมื่อจะก้าวไปข้างหน้าก็ดีหลึกถอยหลังกลับก็ดี จะเหลวซ้ายแลขวาก็ดีเต็มไปด้วยอาการสํารวมทางนั้นนุ่งห่มผ้ากระเรียบร้อยเป็นปริมณฑล <c oughs> มองแล้วเกิดความเลื่อมใสอันนี้แหละการนุ่งห่มผ้าให้เป็นปริมณฑลมณฑลนั้นแล้วก็การทำอากตริยาให้เป็นที่นาเลื่อมใสไม่ล็อกแหลกนั้นนับว่าเป็นเหตุชักจูงคนที่ไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใส ที่เลื่อมสายแล้วก็ให้เลื่อมสายยิ่งยิ่งขึ้นไปจะเห็นตัวอย่างได้แม้อุปติสสะปริพาโชคี้เป็นคนต่างศาสนากันยังเกิดความเลื่อมใสานับภาษาอะไรกับคนที่ในศาสนาเดียวกันดังนั้นเรื่องกิริยาอากปริยามัน ญ, ญาตินี้จึงเป็นสิ่งสําคัญมากอุปติสสะปริภาโชคี้ได้เห็นอากัปริยาเช่นนี้ก็นึกทันทีว่าในบรรดาที่เขากล่าวกันว่าพระอรหันต์นั้น พระมหาเถระองค์นี้จะต้องเป็นองค์หนึ่งแน่นอนอยากจะทราบปฏิของท่านใครจะรู้ว่าใครเป็นศาสนาของท่านและศาสนาท่านสอนยังไงแต่ว่าอุปติสสะปริพาชกนี้เป็นคนที่ได้รับการศึกษามาดีมากเห็นว่าเราจะเข้าไปถามในเวลานี้มันไม่ใช่โอกาสที่เหมาะเพราะเหตุที่ว่าท่านพระอัศชาอาสิเถระนี้กำลัง โคจรมิถบาตอยู่ควรที่จะให้ท่านออกจากคาุ้ธทามมิถบาตซะก่อนหรือว่าทําพัฒกิจเสร็จซะ ก, ก่อนก็จึงได้ติดตามไปห้างงติดตามไป้างหลังห้างงจนกระทั่งท่านพระอจิเทละนี้บิถบาตเห็นว่าพอสมควรอ่าแล้วก็จึงได้หลีกออกจากาธารมมิถบาตก็ไปนั่งที่ป่าต้นไม้แห่งหนึ่ง เพื่อที่ปลอที่จะฉันพัตตาหารอุปติสะเถระอุปติสะปริพาชกเห็นเช่นนั้นก็กจึงได้จัดแจงงามชายนามฉันให้รอจนกระทั่งท่านพระอัสสีเถระนิฉันเสร็จก็จึงได้กล่าวถามว่าอินทรีย์ของท่านก็ผ่องใส ย, ยิ่งนักท่านเองบวชในสำนักของใคร ใครเป็นครูบาอาจารย์สอนท่านของท่านท่านชอบใจธรรมะของใครและครูบาอาจารย์ของท่านนั้นสอนไว้เป็นยังไงท่านพระอชิธิเทระนั้นก็จึงได้ ก, กล่าวขึ้นว่าเราบวชในสำนักของพระสมณะโคดมผู้ออกบวชจากสกยตคุลเราชอบใจคำสอนของท่านแต่ท่านพระอชิเทระคิดว่า ปริพาชคนี้เป็นนักบวชเป็นนักบวชนอกศาสนาถ้าหากว่าเราจะกล่าวคาใดที่ไม่ลึกซึ้งมากนักก็อาจจะเป็นการที่ดูหมิ่นถูกดูหมิ่นแกผู้ที่มีปัญญารู้ได้เพราะฉะนั้นเราก็จะกล่าวธรรมะอันเป็นธรรมะที่ลึกซึ้งและท่านก็ออกตอัวออกวาตัดแอรเหล่านั้นเพื่องเป็นคนใหม่ บวชเมื่อไม่นานเพื่นเข้ามาสู่ธรรมวินัยท่านจะกล่าวให้พิสดารไปหรือให้ลึกซึ้งไปมากนั้นก็ไม่สามารถจะกล่าวได้จำจะกล่าวแต่พอเป็นเราเท่านั้นปุตติจะปริภาชกก็จึงได้จินได้กล่าวกับท่านว่าขอเอาแต่ว่าใจความหรือหลักๆเท่านั้นไม่ต้องกล่าวให้มากความปหลักถ้าจะชี้เทระก็จิงได้กล่าวว่า เยธรรมาเหตุปปภาวเตสังเหตุตถาคตเตสัญจะโยนิโรโทจะเตวังวาทีมหาสมโนซึ่งมีใจความว่าธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุพระบรมศสาสดาทรงแสดงเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นและความดับแห่งธรรมเหล่านั้น พระบรมศาสดานี้ทรงมีทรงสอนชังนี้อุปติสสะปริภาชกพอดีฟังท่านเองก็ได้ดวงตาเห็นธรรมคือได้เห็นแจ้งในธรรมะเลยเรียกว่าได้บรรลุโสดาปติผลเป็นพระโสดาบันความจริงและท่านกล่าวว่าอุปติสสะปริภาชกนั้นได้ดวงตาเห็นธรรม เพียงกลืนคถาเท่านั้นคือในสองบาทแรกที่ว่าเยธรรมาเหตุปปภาวเตสังเหตุตรงคาถาเขโตเท่านั้นคือที่พระมหาอธิพระอัจฉริกล่าวว่าทำเหล่าใดเกิดแต่เหตุพระศัสดาทรงสแสดงถึงเหตุแห่งธรรมนั้นอุพติสสะปริภาชกพอได้รับฟังแค่นี้เองก็ได้ดวงตาเห็นธรรมเลยว่าหรือ ว, ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีเหตุเป็นแดงเกิดแล้วก็มีเหตุเป็นแดงดับ เสร็จ แ, แล้วเมื่อจบคาถาเช่นนี้แล้วอุปติสสะก็จึงได้กล่าวกับพระอัชฉิว่าพอละพระคุณเจ้าแค่นี้ขอท่านอาจารย์จงกล่าวแค่นี้เท่านั้นเองแล้วก็จึงได้สอบถามอจิจิจึงได้กล่าวอวจิจิงได้สอบถามท่านอืมพระอัชฉิว่าพระบรมศาสดาของเรานะ่ยประทับอยู่ที่ไหนพระอัจิก็จึงได้กล่าวต่อไปว่า ประทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหารพระอารยประชับที่พระเวรุวันมหาวิหารก็จึงได้กลับอาจึงได้กล่าวกับท่านว่ากระผมนั้นมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งได้สัญญากันไว้ว่าบุคคลใดได้บรรลุธรรมมิเศษแล้วขอให้จงกลับไปเพราะฉะนั้นกระผมจะต้องกลับไปทําตามสัญญาและก็จะนำผู้สหายนั้นมาฟ้ามากราบทูลพระบรมศาตดาที่พระ ววรวันมหาวิหารตอนนี้ขอให้ท่านอาจารย์นั้นกลับไปเกาะเมืม่อทรงท่านพระอัิชิเทละกลับแล้วตุปติสะปริพาชกนี้ก็จึงได้เดินกลับปริพาชิกาลามคือที่อยู่ของผู้ปริพาชกกุิตะนั้น <c oughs> ได้เห็นเพื่อนคืออุปติสะปริพาชกเดินมาไกล เกิดความสงสัยขึ้นวันนี้ทําไมหน้าตานี่ของเพื่อนงได้แจ่มใสนะกคงจะได้บรรลุธรรมพิเศษเป็นแน่ดังนั้นเมื่อเพื่อนเข้ามาใกล้ๆก็จึิณิกล่าวทักขึ้นว่าวันนี้หน้าตาของเพื่อนสดใสามากนะักคงจะได้ละบรรลุธรรมวิเศษน่ะสิอุปติสะปริภาชคนั้นบอกใช่แล้ววันนี้เราเนั่นไปพบพระอาจารย์มา แล้วก็ได้ท่านได้กล่าวทำขอให้เจ้าให้ท่านนั้นจงนั่งฟังแล้วเราจะกล่าวฝังทําให้ฟังอุปติสาวปริพาชกนั้นก็จึงได้กล่าวแสดงธรรมตามที่ท่านพระชรีเถระนั้นได้แสดงธรรมให้ตนเองฟังโกริตตาปริพาชกเมื่อได้ฟังเช่นนั้นเมื่อได้ฟังอพระธรรมพระธรรมที่อุปติสาวปริพาชกแสดงให้ฟังใั้จบ ก็ได้ดวงตาเห็นธรรมเช่นเดียวกันแต่ว่าอุปติสสะปริภาชกนี้มีปัญญาสามกว่าอแต่ว่าโกริตตะปริภาชกนี้มีปัญญาสามกว่าอุปติสสะปริภาชกหน่อยหนึง่งคือเมื่อได้ฟังจบทั้งคาถาจึงได้ดวงตาเห็นธรรมมีความเห็นได้ดวงตาเห็นธรรมเช่นเดียวกันว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีเหตุเป็นแดงเกิดและเมื่อจะดับไปก็ต้องมีเหตุเป็นแดนดับเหมือนกัน ทั้งสองนี้อ่าโกริตะก็จึงได้ถามว่าบัตรในบรมศาสดานั้นประทับอยู่ที่ไหนอุปติสก์ก็บอกว่าประทับอยู่ที่พระเวรุวันทั้งสองสหายก็ชวนกันจะมาเฝ้าแต่ว่าทั้งสองสหายนั้นเป็นคนที่มีความเคารพในอาจารย์ก็จึงได้กล่าวกันว่าเรานั้นควรที่จะไปลาอาจารย์ทั้งอาาจย์ทั้ครูอาไปลาอาจารย์ซ ะ, ะก่อน แล้วจะได้ชักชวนอาจารย์ไปด้วยดังนั้นสองสหายนั้นก็จึงได้ไกกปกราบลาอาจารย์คืออาจารย์สนชัยเพื่อจะไปบวชในสำนักของพระบรมศสาสนาหรือของพระพุทธเจ้าไปบวชในพุทธศสาสนาอาจารย์นั้นก็ห้ามโดยนา น, านัปการแต่ก็ไม่สามารถที่จะห้ามได้ไม่สามารถที่จะห้ามทั้งสองสหายได้ก็จำใจต้องอนุญาต และทั้งสองทั้งหายนี้ก็ได้ชักชวนอาจารย์นั้นเพื่อที่จะให้เข้าไปบทเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนาแต่อาจารย์ชนชัยนั้นไม่สามารถที่จะยอมได้โดยาจารย์ชนชัยกล่าวว่าการที่ตนเองนั้นเป็นศาสดราเป็นครูอาจารย์ของคนอื่นแล้วจะกลับไปเป็นลูกศิษย์คนอื่นนั้นเท่าจะเปรียบแล้วเหมือนกับเจะจระเข้ที่อยู่ในตุ่มน้า คือว่าจระเข้ที่อยู่ในตุ่มน้ำนั้น<ม>เวลาจะตับหัวกลับหางหรือพลิกตัวพลิกนั้นมันไม่สะดวกเหมือนกับจระเข้ที่อยู่ในบึงให ญ, ญ่นั่นเองความหมายความว่าคนเรามันโตซะแล้วไอ้การที่จะไปเป็นลูกน้องใครอีกนั้นมันก็ทําตนได้ยากไม่สะดวกความหมายของทุนชัยก็เป็นในตำหนงนั้นเสร็จแล้วสิทธิทั้งคู่คืออุปติสสะปริภาชค ก, กับโกริตะปริภาชคนี้ก็ยังไม่ยอม ยังไม่ยอมละความพยายามในง่ายพยายามที่จะพาอาจารย์งตัวเองนะไปบวชด้วยเมื่ออาจารย์กล่าวชะนีก็จึงได้ถามได้กล่าวกับอาจารย์ขึ้นว่าเดี๋ยวนี้ใครๆนันประชาชนทั้งหลายนั้นเขาถือดอกไม้ทุกเพียนนั้นไปวัดพระเวฬุวันมหาวิหารไปฟังเทศทานั้นแล้วท่านอาจารย์จะทำยังไงท่านอาจารย์สนชัยก็จึงได้ถามสิท์ทั้งสองว่า คนในโลกนั้นคนโง่มากหรือว่าคนฉลาดมากทิทั้งสองก็ตอบว่าคนในโลกเรานี้คนโง่มากกว่าคนฉลาดอาจารย์สมชัยก็จึงได้บอกว่าก็เพราะเหตุนั่นน่ะสิคนฉลาดฉลาดนั้นก็จะไปหาพระสมณะโคดมแต่ว่าคนโ ง, โง่นั้นจะมามาอย่างสำนักของเราเพราะฉะนั้นเรายังเป็นอยู่ได้ยังเรายังสามารถที่จะอยู่ได้ นี่อาจารย์สนชัยก่าวอย่างนั้นศิษย์ทั้งคู่นี่เมื่อหมดปัญญาที่จะทักโจน อ, อาจารย์แล้วก็จำใจก็ต้องกราบลาอาจารย์แล้วก็มาพาฤทธิ์ิษยของตัวแอบบริวารของตัวเองซึ่งเป็นบริบทเป็นบริพาชกทั้งห้าร้อยคนนั้นไปยังพระเวฬุวันมหาวิหารเมื่อเดินไปในขณะระหว่างทางนั้นปรากฏว่าศิษย์ทั้งห้าร้อยคนนี้ตับใจ ไม่ยอมเข้าไปสู่พระเวรุวันมหาวิหารยังเสด็จายอะไรความเป็นปริภาชกหรือที่อยู่ของปริภาชกอยู่กับสิคขึ้งหนึ่งก็เป็นอันว่าสทิทั้งคู่คืออุปติสสะปริภาชกกับโกริตาปริภาชกนี้พาบริวารเข้ามาสู่พระเวรุวันมหาวิหารนี้ได้เพียงสองร้อยห้าสิบคนเท่านั้น เมื่อเข้ามาสู่พระเวรุวันมหาวิหารแล้วเข้ามากราบบงโคมทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์แล้วก็ทรงขออุปสมบทพระพุทธองค์นั้นก็ประทานอุปสมบทให้แก่สิทธอแก่อุปติสสะบริพาชกและโกริตะบริพาชกพร้อมด้วยบริวาณถึงสองรอยห้าสิบท่านด้วยเอหิพิคุวรสัมปทา ดยเอหิภิกขุสมทาเมื่อเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาแล้วอุปติสสะปริภาชกนั้นสหพระมจารีทั้งหลายจะเรียกชื่อท่านใหม่ว่าสาลีบุตรก็เพราะเหตุที่ว่าท่านนั้นมีมารดาชื่อวานางสารี เลยก็เรียกชื่อสมัยว่าสาริบุตรเพราะเหตุว่าอุปติสานั้นคงจะไปซ้ำๆกับพระองค์อื่นหรือว่าชื่อกับพระองค์อื่นมากเกินไปก็เรียกท่านใหม่ว่าสารีบุตรซึ่งแปลความหมายแบบไทยๆแล้วแล้วก็เรียกว่าลูกพระลูกชายของนางสาลีส่วนโกริตะพระโกริตะนั้นเสห์พระมัจจาลิก พระภิกษุในกันทั้งหลายก็เรียกท่านสมัยว่าโมคลานะก็เพราะเหตุที่ว่าโยมมารดาของท่านนั้นชื่อว่านางโมคลีก็เลยเรียกชื่อนั้นหมายว่าโมคลานะแปลว่าเนื้อหน่อแอนเลื่อนเนื้อแอนหนอเนื้อเชื้อไขของนางโมคลี ok นั่นเองดังนั้นอุปติสะและโกริตตะพิขุณนี้ก็จึงได้ชื่อหมายว่า ท่านภษารีบุตรและท่านพระโมคคัลลานะเมื่ออุปสมบทแล้วพระพุทธองค์นั้นก็ทรงสั่งสอนภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นปรากฏว่าภิกษุผู้เป็นบริวารทั้ง آ, ทั้งสอง้ยห้าสิบนั้นท่านได้ฟังพระธรรมเทศนาแล้วก็ได้บรรลุอรหัตผลเป็นพระอรหันต์ก่อนกว่าท่านภาษาลีบุตรแกพระโมคคัลลานะ ส่วนพระท่านท่านภาษาลิบุตรกับพระโมคคัลลานะท่านส่วนท่านพระโมคคัลลานะนี้อุปสมบทมาแล้วเจ็ดวันจึงได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ภาษาลิบุตรนี้ถึงสิบห้าวันจึงได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์ในการนี้ท่านกล่าวว่ามีปัญหาอยู่ว่าทําไมท่านภาษาลิบุตรกับท่านพระโมคคัลลานะนี้ นับว่าเป็นคนที่มีปัญญาดีแต่กับบรรลุคุณธรรมพิเศษขั้นสูงสุดคือเป็นพระอาหารหันต์นั่นหลังกว่าบริวารทั้งหมดสำหรับในปัญหาข้อนี้จะขอพักไว้ก่อนขอความเจริญผาสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ฟังและท่านนักศึกษาทุกๆท่านด้วยกันขอเจริญพ จเจริญสุขท่านนักศึกษาและท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ก็มาบรรยายเกี่ยวกับเรื่องประวัติของท่านพระอัครส า, าวกทั้งคู่ต่อครั้งที่แล้วนั้นก็ได้กล่าวมาถึงปัญหาที่ว่าทำไมพระสารีบุตรกับท่านพระโมคคัลลานะนี้ เป็นคนที่มีปัญญาดีเป็นคนที่มีปัญญาเฉียบแหลงแต่กลับได้บรรลุเป็นพระอาหารหันตเป็นพระบรรลุพระอาหารหันตเป็นพระอาหารหันต์หลังกว่าพิสุผู้เป็นบริวารในที่นี้ท่านกล่าวว่าก็เพราะคนที่มีปัญญาดีนั้นเมื่อได้ฟังคำสอนสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้นยังไม่ในน้อมใจเชื่อเลยทีเดียว ต้องนำเอาสิ่งนั้นมาขบคิดหรือว่าคิดพิจารณาใจตรองถ้าเห็นเป็นจริงนละ้วจะเชื่อไม่เหมือนกับคนที่มีปัญญาไมเา่เป็นคนที่มีปัญญาน้อยเมื่อฟังสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือใครกล่าวสิ่งใดแล้วก็น้อมใจเชื่อเมื่อน้อมใจเชื่อแล้วก็ได้ฟังตามหรือ ว, ว่าเชื่อตามนั้นก็ทำให้สามารถนั้นบรรลุได้เร็วได้เร็วกว่าคนที่ ยังไม่น้อมใจเชื่อเลยในข้อนี้ท่านเปรียนที่ให้ฟังมาเหมือนกับประชาชนธรรมดากับท่านพระกับพระราชามหากษัตร์ประชาชนคนธรรมดานั้นนึกจะไปไหนสวมเสื้อผ้าแล้วก็สามารถออกไปได้เลยโดยฉับพลันทันทีได้แต่พระราชามหากษัตร์นั้นจะเสด็จไปไหนทำเช่นนั้นไม่ได้ขราชการอํามาตย์ขราชการทั้งหลายหรือว่าประชาชนทั้งหลายจะต้อง การต้อนรับต้องจัดการที่ป้องกันภัยตรานานานับประการไม่ใช่ไปเด้งง่ายฉันใดก็ดีปัญญาคนที่คนมีปัญญาเฉียบแหลมก็คนที่มีปัญญาน้อยก็เช่นเดียวกันท่านพระโมคคัลลานะนั้นอุปสมบทแล้วได้เจ็ดวันอ่าอุปสมบทแล้วก็ได้ไปบำเพ็ญเพียรอยู่ที่บ้านกัลละวาลมุตคาม อยู่ถึงเจ็ดวันจำเดิมแต่บุสมบทมาแล้วไปบำเพ็ญเพียรอยู่บ้านกาลวานมุตคามนั้นแต่ปรากฏว่าท่านได้ไปอ่อนท่านได้บำเพเพียร น, น, นั้นอ่อนใจนั่ ง, งโงกง่วงอยู่ <c oughs> พระบรมศาสดาทรงทราบเขาก็จึงได้เสด็จไปณที่นั้นและได้ทรงสั่งสอนอุบายสำหรับ ระงับความง่วงมีประการต่างๆด้วยกันถึงแปดข้อด้วยกันซึ่งในข้อหนึง่งพระองค์ตรัสว่าดูก่อนโมคลานะเมื่อเธอมีสัญญาอย่างไรความง่วงนั้นย่อมครอบงำได้เธอควรทำสัญญาทำในใจถึงสัญญานั้นให้มากๆสัญญาคือความความรู้ คำสัญญาคือความจําได้หมายรู้ในข้อนี้พระองค์กลับตรัสว่ามีสัญญาอย่างไรความง่วงย่อมครอบงำควรทําในใจถึงสัญญานั้นให้มากๆอันนี้ถ้าเราฟังแล้วเราก็รู้สึกว่ามันจะอย่างไรอยู่คือสิ่งที่ทําให้ง่วงกลับให้พิจารณาถึงเรื่องความง่วงนั้นบ่อยๆอันนี้ก็เข้าหลักที่พระองค์ทรงตรัสว่า ชายวิธีเอาหนามยอกและหนามบกเมื่อ น, นึกถึงและลึกถึงธรรมะอันใดข้อใดแล้วเกิดความม่ง่งก็ให้น่าถึงให้ข้อนั้นให้มองๆาํทำจนกระทั่งที่ว่าครับจัดความม่วงให้ได้เหมือนกับท่านอาจารย์ได้สอนวิธีให้บุคคลจเจริญวิปัสสนานั้นบอกว่าถ้าหากขนาดขนะที่จเจริญวิปัสสนานั้นเกิด การเจ็บปวดหน้าที่ใดก็แห่จิตนั่นไปเพ่งที่ตรงที่เจ็บปวดนั้นเช่นว่าเวลาเกิดนั่งสมาธิขึ้นมาเจริ่มมีปรสนาขึ้นมาเกิดเมื่อยที่หัวเขา่าก็แหอาจิตนั้นไปจับที่หัวเข่านั้นว่าปวดหนอปวดหนอปวดหนอจนกระทั่งให้หายไปอันนี้ก็เช่นเดียวกันพระองค์ตรัสว่าทำสัญญาซึ่งที่ทําให้เกิดความง่วงนะให้หมกๆ และสิ่งอันนี้แหละจะทําให้หายง่วงได้แต่ถ้าถึงทําอย่างนี้แล้วยังไม่หายง่วงพระองค์ก็ทรงให้เปลี่ยนใหม่เป็นวิธีที่สองวิธีที่สองนั้นพระองค์ก็ตรัสว่าควรที่จะติตรองพิจารณาถึงธรรมะที่ตนเองได้ฟังแล้วและได้เรียนมาแล้วอย่างไรด้วยน้ําใจของตัวเองในที่นี้ก็หมายความว่า เมื่อมันเกิดความง่วงขึ้นมาก็ให้จับเอาธรรมะที่ตนเองได้เรียนหรือได้ฟังมาที่วันนี้ขึ้นมาพิจารณาว่าธรรมะนี้มีความหมายอย่างไรแยกออกเป็นอะไรเมื่อคนเหานั้นตั้งใจทําตั้งใจอ่าไตร่ตรองพิจารณาถึงธรรมะแยกออกเป็นข้ออย่างนี้แล้วความง่วงนั้นก็จะลืมหายไป จะสามารถกำจัดความม่วงได้เพราะว่าจิตใจนั้นมุ่งอยู่ที่ธรรมะที่ตนเองกำลังคิดอยู่แต่ถ้าทั้งทำอย่างนี้แล้วก็ยังไม่หายไม่สามารถจะระ ง, งับความม่วงได้พระองค์ก็ให้เปลี่ยนวิธีที่สามเป็นวิธีที่สามต่อไปในวิธีที่สานั้นพระองค์ทรงแนะนำว่าควรสาธยายธรรมะที่ตัวเองได้ฟังและได้เรียนมาแล้วอย่างไรโดยพิจาจน สาธยายในที่นี้ก็หมายถึงว่าให้ท่องออกเสียงโดยที่ธรรมะที่ตนเองได้ฟังมาแล้วเน้นท่องให้จำได้ให้เกิดให้เกิดความวสีคคือความชํานาญท่องให้ออกเสียงใ้การท่องนี่แหละการออกเสียงนี่แหละจะเป็นเหตุอันหนึ่งเพื่อที่จะทำให้หายง่วงได้เหมือนกับบางท่านนั้น ถึงแม้จะง่วงนอนอย่างไรถ้าหากว่ามีเสียงรบกวนและไม่สามารถที่จะนอนหลับได้นี่อันนี้ก็ฉะนั้นการท่องออกเสียงนี้ก็เพื่อที่จะให้กระทบให้เสียงนี้นกระทบหูทำให้นอนไม่หลับแต่ว่าบางท่านนั้นเมื่อถึงคราวง่วงแล้วแม้เสียงก็ไม่เป็นอุปสรรคในการรบกวนหรือบางคนก็เท่ามีเสียงและที่จะนอนหลับอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นในข้อ น, นี้ก็คงจะแก้ไม่หาย ถ้าหาว่าแก้ไม่หายอย่างนี้แล้วพระองค์ก็ทรงเปลี่ยนให้เป็นชช้วิธีที่สี่วิธีที่สี่นั้นก็คือพระองค์ทรงแนะนำนาว่าให้ย้อนช่องหูทั้งสองข้างและก็ลูบตัวด้วยฝ่ามือย้อนช่องหูทั้งสองข้างนี้คือให้ใช้วัตถุอันใดหนึ่งเช่นอาจจะเป็นสำลีหรือว่าขนนกหรือว่าต้นยาชนิดหนึ่งซึ่งเราฉีกแล้วใช้ชชชพัน เรียกว่าปั่นเข้าในาในช่องหูทั้งสองได้อันนี้เพื่อต้องการปลุกประสัดปลุกประสัดแล้วก็ให้ใช้ฝ่ามือเนี่ยลูบไปตามตัวเพื่ อ, เ พ, อเพื่อให้เลือดลมและเดินสะดวกจะได้หายง่วงตาหูตาสว่างขึ้นแต่บางท่านนั้นก็มีมีอาการที่แปลกอย่างถ้าหากว่าแค่หู ถูกบุคคลอื่นแคะหูหรือยอนหูให้แล้วเกิดความง่วงทันทีก็มีเพราะฉะนั้นถ้าหาวิธีนี้เมื่อใช้ยยอนหูทั้งสองข้างลูบด้วยตัวด้วยฝ่ามือแล้วยังไม่ระ ง, งับความง่วงได้พระองค์ก็ให้เปลี่ยนมาเป็นใช้วิธีที่ห้าต่อไปในวิธีที่ห้านี้พระองค์ทรงแนะว่าควรลุกขึ้นยืนแล้วใช้น้ําล้างหน้า ชัน้ำลางหน้าลางตาเพื่อให้ตาสว่างเลี้ยวดูทิศทั้งหลายเง้นดูดาวนักขัตเลิกเพื่อให้ตานี้ได้กระทบแสงสว่างจะได้เกิดหายความง่วงได้ <c oughs> แต่ว่าเมื่อถึงกระทาเช่นนี้แล้วยังไม่สามารถที่จะระงับความง่วงได้พระองค์ก็ทรงให้ทรงให้เปลี่ยนใช้วิธีที่หก ในวิธีที่หกนี้พระองค์ทรงนแนะนำว่าควรทำในใจถึงซึ่ ง, ถ, งถึงอาโรกสัญญาคือความสำคัญในแสงสว่างตั้งความสำคัญว่ากลางวันไว้ในจิตให้เหมือนกันทั้งกลางวันกลางคืนมีใจเปิดเผยชนิดไม่มีอะไรห่อหุ้มทำจิตใจ อันมีแสงสว่างให้เกิดอาโลกสัญญาณนี้ก็หมายถึงว่าให้มีความสำคัญว่ามีแสงสว่างอยู่เสมอคือทั้งกลางคืนกลางวันนั้นให้รู้สึกว่ามีความให้มีแสงสว่างอันนี้ก็เพราะเหตุที่ว่าบางคนนั้นถึงจะ ง, ง่วงนอนอย่างไรก็ตามถ้าหากว่ามีแสงสว่างแล้วนอนไม่หลับหรือเช่นในเวลากลางวันนี้ ง่วงยังไงก็ไม่สามารถจะนอนให้หลับได้เพราะสว่างจะสลับได้ไอ้จะหลับได้นั้นต้องอาศัยความมืดอย่างนี้เป็นตน้นพระองค์ก็จึงแนะนำให้ทำอโลกสัญญาเที่ยให้นึกถึงทั้งกลางคืนวันว่ามันสปีแสงสว่างเหมือนกลางวันอยู่เสมอแต่ว่าในสมัยโบราณเห็นจะทำยากถ้าหากบุคคลที่ไม่เป็นไม่มีจิตใจเป็นสมาธิ กลางคืนนั้นมืดๆนั้นจะทําจิตใจให้สว่างเหมือนมีแสงสว่างของกลางวันเห็นจะยากแต่ในปัจจุบันนี้เห็นว่า ง, ง่ายเพราะเรามีไฟฟ้าอยู่ถ้าต้องการจะให้ทําอาโลกสัญญาในเวลากลางคืนก็เปิดไฟขึ้นแต่ก็อีกแหละบางท่านนั้นเมื่อง่วงขึ้นมาแล้วไม่เลือกว่ากลางวันหรือกลางคืนมีแสงสว่างหรือไม่หลับทางนั้น อันนี้เมื่อเป็นชนีแล้วทําอาโลกสัญญาชนีแล้วยังไม่สามารถที่จะอาที่จะระงับความง่วงได้พระองค์ก็ให้เปลียนมาใช้วิธีที่เจ็ดในวิธีที่เจ็ดพระองค์ทรงแนะนําท่านพระโมคคัลลานะว่าควรอธิษฐานที่จงกลมอธิษฐานที่จงกลมนี้ที่จงกลมนี้ก็คือว่าในสถานที่เดินกลับไปกลับมา ที่เราเรียกว่าเดินจงกรมหรือเดินกรรมฐานนั่นแหละคือเดินกลับไปกลับมามีอ่ามีเขตกำหนดจำกัดระยะทางขี่วาหรือขี่เม็ดแล้วก็เดินกลับไปกลับมาอยู่เช่นนี้แหละการที่พระาแล้วก็กําหนดหมายกลับมาอย่างนี้แล้วก็สํารวมอินทรีย์มีจิตไม่คิดไปข้าะนออกให้จิตจดจ่อในธรรมะหรือว่าในการเดินจงกรมกรรมฐาน ในที่ข้อนี้ที่พระองค์ทรงตัดชนนี้ก็เพื่อว่าเมื่อความง่วงมันเกิดขึ้นมาแล้วก็ให้ลุกออกเดินแต่เดินนั้นก็ไม่เดินเสียเปล่าให้เดินจงกรมโดยจิตใจนั้นลึกถึงนะแะลึกถึงธรรมะหรือร ะ, ะลึกถึงการกําหนดในการที่จะเดินจงกรมนั้นเพื่อแก้ความง่วงซะแต่ว่าเมื่อทำเช่นนี้แล้วก็ยังไม่ยังไม่สามารถที่จะระ ง, งับได้บางคนเดินแล้วก็ยังหลับ อันนี้พระองค์ก็ให้เปลี่ยนมาใช้วิธีที่แปดในวิธีที่แปดนี้เมื่อทั้งเจ็ดประการนี้ทำไมสำเร็จก็แสดงว่าร่างกายของเรานั้นอ่อนเพลียต้องการที่จะพักผ่อนคือการหลับนอนดังนั้นพระองค์ก็จึงได้แนะนำข้อที่แปดว่าควรสำเร็จสีหาสายหยาดคือนอน สำหร็จสีหาสาย ญ, ญาณนี้ท่านกล่าวว่าคืนนอนตะแคงเอาข้างเอาข้างเบื้องขวาลงเอาข้างซ้ายขึ้นเท้าเหลื่อมเท้ามีสติสัมปชัญญะทำความหมายในอันที่จะลุกขึ้นไว้ในใจพอตื่นขึ้นก็รีบลุกขึ้นความจริงแล้วคำว่าสีหาสญญายาณนี้ท่านหมายเอานอนมีสติมากกว่า มากกว่าที่ว่าจะหมายเอาว่าการนอนแบบสีษยานนี้คือจะนอนนอนตะแคงเอาเบื้องขวาลงแต่ที่ท่านกำหนดอย่างนี้เพราะท่านกาหนดไว้ว่าการนอนมีอยู่สามแบบคือหนึ่งนอนตะแข็งเอาข้างขวาลงนั้นเอาซ้ายขึ้นเรียกว่าสีหษยานอนเอาข้างซ้ายลงเอาข้างขวาขึ้นนั้นเรียกว่ากาโรโพคีศยา คือนอนแบบคนบริโภคกับสีหาสายยานั้นคือนอนแบบราชสีแล้วก็วิธีแล้วก็นอนอีกประเภทหนึ่งคือนอนหงายนอนหงายนั้นท่านเรียกว่าเปตาสายยาคือนอนแบบเปรตหรือเปตะนี่เปรตนี่แปลว่าคนตายคือนอนแบบคนตายคนตายนั้นนอนหงายนี่ท่านแบบท่านว่าแบบอย่างนี้แต่ความจริงแล้ว เท่าพูดกันให้โดยความประสงค์จริงๆสีหไซยานี้นอนแบบราชสีนี้ขึ้นนอนแบบมีสติไม่ใช่นอนแบบคนไร้สติให้มีสติสมัมชัญญาอยู่เสมอส่วนการนอนแบบกามโพคีเขษยานั้นหมายถึงว่าคนนอนแล้วมีวิอเวิตกมีกามวิตกอยู่เสมอคือคิดตรึกแต่ในทางกามาคุณ และเปตสายยานั้นนอนแบบคนตายนั้นหมายที่ว่าเป็นคนนอนแบบไร้สติสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นคนที่นอนไร้สติสัมปชัญญะนี่อาการอากัรปริยานี่จึงมีต่งตางๆนานาที่กล่าวว่าให้นอนแบบเสียาสายานี้ก็คือว่าห้ามไม่ให้นอนทั้งสองแบบนี้เพื่อไม่ให้มีวิตตกตามวิตกคือระลึกถึงแต่ในเรื่องการมมรรคหรือเป็นคนที่ไร้สติสัมปชัญญะให้นอนมีสติอยู่เสมอกําหนดไว้ ว่าเราจะตื่นเวลาทันนั้นทันนั้นเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วก็รีบลุกทันทีอย่าผัดวะอย่าผัดเวลาเท่าขืนผัดไปแล้วก็มันก็จะหลับต่อไปอีกจะไม่ได้บรรลุขึ้นจะไม่ได้ลุกขึ้นบําเพ็ญสมณธรรมต่อไปนี่พระองค์ทรงสอนวิธีแก้อุบายสําหรับแก่ง่วงแก่ท่านพระโมคะลานะทั้งแปดข้อเมื่อตรัสเช่นนี้แล้วพระองค์ก็ทรงตรัสต่อไปว่า ตรัสให้โมคลานะได้สำเนียงตอบไปว่าเราจักไม่ชูงวงคือถือตัวคำว่าไม่คูชูงวงนี่เหมือนกับช้างเปรียบเหมือนกับช้างช้างที่มีมานะนั้นมักจะชูงวงอยู่เสมอพระองค์ตรัส ว, ว่าเราจากไม่ชูงวงคืออย่ามีมานะถือตัวว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่เวลาเข้าไปสู่ตระกูลเราจากไม่พูดคําซึ่งเป็นเหตุเถียงกัน ที่ถือผิดกันคือคําใดก็าตามที่ว่ามีความเห็นผิดกันแล้วพึงระ ง, งับเสียอย่าได้พูดถึงอย่าได้เถียงกันเพราะว่าถ้าขืนเถียงกันไปแล้วหรือว่าถือผิดเถียงกันไปแล้วก็จะทําให้เกิดการทราะเลวิวาทเมื่อเกิดการทราะเลวิวาทแล้วจิตใจก็จะไม่เป็นสมาธิเมื่อจิตใจไม่เป็นสมาธิแล้วก็เป็นเหตุไปอันตรายแก่มรรคผลนิพพานได้แล้วก็ตรัสสอนไม่ให้คลุกคลี ด, ด้วย ที่นอนที่นั่งตรัสสอนให้คลุกคลีด้วยยินดีด้วยที่นอนที่นั่งอันสงัดก็คือว่าตรัสสอนให้เป็นผู้ที่ชอบความเงียบสงัดเป็นที่หลีกเล่นตามสมณวิสัยเพื่อเหมาะแก่การบำเพ็ญสมณธรรมเมื่อตรัสสอนเช่นนี้แล้วท่านพระโมคคัลลานะก็จึงได้กล่าวทูลว่าเมื่อว่าโดย่อแล้วข้อปฏิบัติมีเท่าไหร่ ภิกษุจึงจะชื่อว่าน้อมไปแล้วในธรรมเป็นที่สิ้นตัณหามีความสำเร็จล่วงส่วนกเกษมจากโยคะเป็นพรหมจารีบุคคลมีที่สุดล่วงส่วนแล้วประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระบรมศาสดา ก, ก็ทรงตรัสว่าดูก่อนโมคลานะภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ได้สดับแล้วว่า บรรดาทมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นเธอทราบชัดทมทั้งปวงด้วยปัญญาอันยิ่งย่อมกำหนดรู้ทาทั้งปวงได้เธอได้เสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นสุกตามเป็นทุกขตาหรือไม่ใช่สุไม่ใช่ทุกขตาเธอจงพิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงพิจารณาด้วยปัญญาให้เป็นของเป็นเครื่องนาย เครื่องเบือหน่ายเป็นเครื่องดับเป็นเครื่องสละคืนในเวลาในเวทนาทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อพิจารณาเห็นได้ดังนี้แล้วย่อมไม่ยึดมัน่นไม่ถือมั่นอะไรอะไรในโลกแล้วก็ย่อมเมื่อไม่ถือมัน่นไม่ยึดมั่นแล้วก็ไม่สะดุ้งหวาดเสียวไม่หวาดวันย่อมดับกิเลสให้สงบไปได้เฉพาะตัวและสราบชัดทันทีว่าชาติสิ้นแล้วพระมรรจันทร์ก็อยู่จบแล้วกิจที่จะต้องทําก็ทําเสร็จแล้ว กิจอื่นที่จะต้องตามไม่มีอีกว่าโดยย่อและข้อปฏิบัติก็มีเพียงเท่านี้แหละชื่อว่าภิกษุน้อมไปแล้วในธรรมเป็นที่สิ้นตัหนัท่านพระโมคคัลลานะได้ปฏิบัติตามโอวาทของพระบรมศาสดาที่ทรงตรัสสอนแล้วก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ในวันนั้นเองนับตั้งแต่บวชมาแล้วเจ็ดวัน ท่านพระโมคคัลลานะจึงได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ที่ประที่บ้านกัลละวาลมุตคามนั่นเองส่วนท่านภาษาลิบุตรตั้งแต่อุปสมบทคือบวชมาแล้วนั้นถึงสิบห้าวันจึงสำเร็จเป็นพระอรหันต์การที่สำเร็จเป็นพระอรหันต์นั้นก็มีเหตุอมีเรื่องเราว่า ที่ท่านได้สาเร็จพระหรหัสนั้นก็เพราะได้เหตุร้อเหตุว่าได้ฟังเทศนาเรื่องเวทนาปริคหาสูตรที่พระบรมศาสดาสแสดงกับปริพาชกที่ชื่อว่าทีฆนาคะอคิเวสนะโคตคือในวันนั้นเองหลังที่พระองค์อ่าเถีงหลังที่ท่านได้บวชมาสิบ้าวันนั้นท่านได้ตามสเสด็จพระบรมศาสด า, สดาไปยังที่เขาคิจจกูดเชิงเขาขิจจกูด ไปที่ถ้าสุกระ า, าตาถ้าสุกระ า, าทานนี้อยู่ที่เชิงเขาเซกุในขณะนั้นปริพาชกคนหนึ่งชื่อว่าทีฆนาคะอคิเวสนาโคตทีฆนาคะอคิเวสนาโคตนี้เรียกกันตามชื่อโคตว่าอคิเวสนาโคตแต่ชื่อว่าทีฆนาคันั้นเข้าใจว่าปริพาชกคนนี้คงจะเอาไว้เล็บยาว คงจะไว้เล็บยาวจึงได้ชื่อตามดึงได้ชื่อว่าทีฆะนัคขทีฆะนักขัขาอาคิเวสนาโคตนั้นได้เข้าไปเฝ้าพุทธองค์ที่ถ้ำถูกสุกระขาตาที่เชิงเขาขิจกุดกรุงราชสุดนั่นเองเข้าไปแล้วก็มาเข้าไปเฝ้าแล้วก็ทูลถามปัญหาถึงเรื่องทิฏฐิอทิฏฐิซึ่งตนมีอยู่ ซึ่งในขณะนั้นท่านภาษาลิบุตรกำลังถวายงานพัดอยู่เบื้องหลังเบื้องพระพิศสังขของพระผู้มีพาคเจ้าอักขิเวสนโคตรที่คณะขาอัิเวสนโคตรพูกนี้ได้เข้าไปแล้วเข้าไปเฝ้าและกล่าวพาพาสายและยืนอยู่หนข้างหนึ่งก็จึงได้ทูลแสดงความเห็นของตน ว, ว่าขาแต่พระโค ด, ดมข้าพระเจ้านั้นมีความเห็นว่า สิ่งทั้งปวงไม่ควรแก่เข้าไปเจ้าเข้าไปเจ้าไม่ชอบใจสิ่งนั้นทั้งหมดนี่อัิเวสนาโคตรกล่าวแสดงความเห็นของตอนเช่นนั้นพระบรมศาสดา ก, ก็ตรัสว่าอ่าทิฏฐินั้นของบุคคลในโลกนี้มีอยู่สามประการคือดังที่ท่านแสดงแล้วมาประการหนึ่ง แต่บางท่านบางท่านนั้นก็มีความเห็นว่าสิ่งใดทั้งปวงที่ควรกับข้าพเจ้าข้าพเจ้าชอบใจสิ่งนั้นทั้งหมดแต่อีกพวกหนึ่งก็ก็มีความเห็นว่าบางสิ่งบางอย่างควรกับข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็ชอบใจบางสิ่งบางอย่างก็ที่ไม่ควรกับข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็ไม่ชอบใจเนี่ยเพราะฉะนั้น ท, ทิฏฐิของคนในโลกนี้มีอยู่สามประการในกา น, น, นี้เพราะฉะนั้น ท, ทิฏฐิทั้งสามประการนี้มันไม่สมควรแก่ท่าน หรือทิฏที่ของท่านกล่าวนนั้ไม่สมควรกัท่านท่านต้องไม่ชอบใจความเห็นเช่นนั้นแล้วก็จึงได้แสดงถึงอุบายเป็นเครื่องละทิฏฐิโดยที่แสดงว่าถ้าหากบุคคลใดมีทิฏฐิทั้งสามประการนั้นก็จะเกิดความเถียงกันเห็นว่าความเข้าใจริ้วทิฏฐิของตนเองนั้นเป็นของที่ถูกแต่ทิฏฐิของคนอื่นนั้นเป็นของที่ไม่ถูกต้อง เมื่อมีความเห็นไม่ถูกต้องกันเช่นนี้แล้วมีความเห็นต่างๆกันเช่นนี้แล้วก็จะต้องเกิดการเถียงกันทะเลาะกันเมื่อเถียงกันทะเลาะกันมันก็จะเกิดการวิวาดกันเมื่อเกิดการวิวาดกันก็จะเป็นเหตุทาให้จิตไม่เป็นสมาธิเมื่อจิตไม่เป็นสมาธิมันก็เป็นอันตรายแก่มรรคผลนิพพานเพราะฉะนั้นทิฏฐิสามประการนี้ท่านต้องละเสีย ไม่ควรที่จะให้มีไว้ในใจเพราะองค์ก็ได้แสดงให้ทีฆนาาักขะอคิเวสนาโคตนั้นละทิฏฐินั้นเสียอย่าให้ยึดมันแล้วพระองค์ก็ได้แสดงถึงพระธรรมเทศนาที่เรียกว่าเวทนาปริฆหาสูตก็แปลว่าการกำหนดเวทนาโดยการกำหนดเวทนานี้พระองค์ทรงยกเวทนาขึ้นสามประการ คือนึงสุขเวทนาการเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขสองทุกขเวทนาการอัดเสวยอารมณ์ที่เป็นทุกขและก็สามอุปเปขาเวทนาการเสวยอารมณ์ที่เป็นเฉยๆเป็นกลางๆในเวทนาสามประการนี้สุขเวทนาเราจะเห็นได้ว่าเช่นคนที่เป็นศัตรูของเหล่านั้นถึงแก่ความหายณนะพินาศไป เราก็เกิดความเป็นสุขแต่ว่าคนที่เราลักเราใคร่เราชอบใจบูชาเคารพ บ, บูชาเกิดถึงความหายนตพินาศไปเราก็เกิดความเป็นทุกข์เรียกว่าทุกขเวทนาแต่ท่าบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งเราไม่รู้จักหรือเราไม่ลักใครไม่โกรธไม่เกลียดถึงซึ่งความหายยนตหรือถึงซึ่งความพินาศไปเราก็เฉยเฉย ไม่ดีใจแล้วก็ไม่เสียใจในทํานองเดียวกันนั้นก็เหมือนกันถ้าหากว่าคนที่เราเป็นศัตรูกับเราหรือว่าคนที่เราโกรธลภเกลเเียดเขาได้ประสบโชคดีมีทรัพมาโพกสำอโพกสมบัติมากเราก็เกิดความทุกข์คือไม่อยากจะให้เขาได้ดีนั่นเองเห็นเขาเห็นศัตรูที่ได้ดีได้ประสบโชคอย่างนั้นแล้วเราก็เกิดความไม่พอใจก็เป็นทุกขเวทนา แต่ถ้าหากว่าคนที่เราลักเราใคร่คนที่เราเคารพนับถือประสบโชคลาภโพคสมบัติเช่นนั้นเราก็เกิดสุขเวทนาเพราะเป็นคนที่เราลักเราใคร่แต่บุคคลที่เราไม่เกลียดไม่โกรธและก็ไม่ลักไม่ใคร่ไม่เคารพเป็นคนอื่นที่เรารู้จักบ้างไม่รู้จักบ้างเขาประสบอ่าโชคลาภอย่างนั้นหรือโภคสมบัติเช่นนั้นเราก็วางเฉยเฉยอันนี้เรียกว่าเป็นอุเป ข, ขาเวทนา พระองค์ก็ได้กำหนดเวทนาขึ้นอย่างนี้สามประการด้ยกันได้แสดงแก่ทีฆขนขัะอาคิเวสนโคตรในการเป็นที่จบพธรรมเทศนานั้นปรากฏว่าทีฆขนักะอาคิเวสนโคตรนี้ได้ดวงตาเห็นธรรมสิ้นความเคลือบแคลงสงสัยในพระพุทธศาสนาแสดงตนเป็นอุบาสก ถึงพระรัตนตรัยทั้งสามโดยคำว่าอาหารพุทธันจะทำมันจะสังคัญจะสรณงคตโตเป็นต้นแล้วก็ได้ลีกไปส่วนท่านภาษาลีบุตรมหาเถระนั้นถวายงานพัดอยู่ได้ฟังพระธรรมเทศนาที่พระองค์นั้นทรงเทศให้ทีขันธะอาคิเวสนาโคตฟัง ทั้งทิฏฐิสามประการอุบายเป็นเครื่องระทิฏฐิแล้วก็เวทนาปริฆ า, าสูตรคือการกำหนดถึงเวทนาทั้งสามก็ได้ส่งกระแสจิตนั้นไปตามทานองของพระสธรรมเทศนาจิตก็หลุดพ้นจากอาสวะไม่ยึดมั่นโดยอุปาทานโดยประการทั้งปวกก็เป็นอันววาท่านภาษาลิบุตรนี ได้บรรลุอรหัตผลหลังจากที่อุปสมบทมาแล้วถึงสิบห้าวันณที่ทําสุกระขาตาเชิงเขาพิจกุฏในวันนั้นเองเอาละท่านสาธุชนและท่านนักศึกษาทั้งหลายขอจบขอประวัติของท่านพระอักษาวกทั้งคู่ในยังไม่จบ แต่เพื่อรักษาไว้ซึ่งเวลาก็ขอจบไวแต่เพียงขอหยุดยุติไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนขอความเจริญผาสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ฟังและท่านนักศึกษาทุกท่านด้วยกันขอเจริญพร